พระธรรมเทศนาแผ่นที่95ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าปรับทัศนคติผู้บวชใหม่ผู้หมวดดิดให้หลวงพอ่อ ประกาศว่ามือวันที่สองบอกมันจะไปทําบุญทอดผาปา่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอนเนกประสงค์ทอดถวายณนจะำนักสงฆ์บ้านวัดปา่าอำเภอผู้เรือบ้านบวมบกตําบลหนองเลืออำเภอผู้เรือจังหวัดเลยวันที่สองกรกฎาคมพันห้ายบเก ผู้ใดสิรวมสมทบอยากสั่งซาลานําเพลินกันอันเนอะแต่หลวงพอ่อขจิตพิจารณาอยู่เดียวเดี๋เปิงกระเป๋าจะ ก, ก่อนสิรวมสมทบสั่งซาลานําเพลินเนอะหลวงพ่อชาลีปนญญายจากผูกก่อนไปสั่งวัดใหม่มั้งอยู่จังหวัดพูเลือแต่เพิ้นสิคงจะไปใหญ่ไปสซข้าวจิดอกไปภาว น, นาของเปิ้น เปิดสางพระไม่พราใหญ่แล้วเนาะเปิ้ลก็เลยหยาดพยามัจุฬามาเอาเพิ่มเปิ้ลก็เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปโยผู้เลือนีตัลวงพ่ออินนั่นหละตแกลั่นมั่นเปิ่ลวไหวหลวงพ่อสางสรายใหญ่เลวบนหนีบ่ออาาเปิ้ลวะมันแพลได้อาารพ่อหน่อไหวไปหาแผลห้าผู้เดียวพอได้แล้วเาสางให้มัดมือมัดเพื่อนว กันไปเอาไปต้องการมัดกุขนอะยังคอยแมนไว้เขาสา่งสารใหญ่เลยเขาเาบแมแล้าชินนั่งผู้เดียวันั่งมัดมือมัดเพลินกัมัเอาไปเอาไปน้องการมัดคุกคนเน่เอาแต่ห่อไปผู้เดียวมันก็ปวดถือขึ้บปเป็นท่ามคือกันแล้วเข้าวาวพยามัดโจรัตนี่ยังท่านเอาไปเราพราะนั้หลวงพ่อจะิญพูนว่าสังเจียงไหที่ใหญ่ๆแล้วันนอกไปจะต้องใหายไปมองอื่นซะก่อนเอาเข็เอา เลือกเอายา่ำมันเอาไปขันป่วยใหญ่นนนป่วยใหญ่เไปลงพอว่ามันเป็นเข็ดย่ำมันนั่นเรื่องเค็ดเรื่องเข็ดนั่นตัวเนี้ยวันเราเรื่องนีเค็ดตัวเนี้ยมัเาะม่แน ว, นนนนวนนอื่นหอกลงพอว่าว่ะพ่อสั่งสล า, าเรียบร้อยแล้วป่ะเลยเพรทั้งเหล้วคักมันเอเาไปสั่งสลาร์หมดแทนเล้าคักหยาตโย่บมดสลองสล้องลงพอลองพอลองลงปูลงตาสล้องสล้องสลารา์ลงตัวลงปูลงตากัน ท่นความลบเหล่าของลูกชิดลูกหายลูกหลานบวชไหวอ๋อฉลองก็ฉลองนะพ่อฉลองแล้วก็คือว่าจะได้เงินจากฉลองมดโปใส่ซาลาให้มันเลีวเอาไปพ่อฉลองแล้วว่านี้เงินบวชพอวันนีเน้เงินที่เขามาถวายผาปากักผาป่าที่มาสมทบที่จะสั่งนะั่นมันบวพ่อวันนี้มันบวพ่อที่จะใส่หนีซาลาได้เอาไสีหนีโบสถหนีซาลาได ว่าท uh <connection learning> <contrario> uh <t> uh ้าแล้วซาลากับบแเล่อบาดเียบอแล้วคักกวนอนไปนี่ก็มีบ้านนี่ที่ไปจืดคอม่าบ้านในสมพ่านคือขั้นที่ว่าซาลาบอแล้วกับบอไรว่าไปมันซาลามันก็เลยฉลองแล้วบ้านนี้เงินกับบกเขามากแล้วมันเม็ดเลยได้บ้านนี้คนกับมันแล้วนะเด้บ้านในสมพ่านอะไรโอ้ก้างทางเทวว่าลงไปอยู่ผู้เดียวจักจิละใบเหตุภัยฟั่งว่าลงไปพอที่ผุดสมพ่านก็เลยต่อมใจตายว่าลงไป พอเป็นหนีเป็นศีลันดองไปนี่แหละหลวงพ่อว่าันสาเหตุอย่งหน่อยพ่อเลดสั่งสลองซาราแล้วเดี๋ยวด้จะสลองโบสถ์แล้วแต่ฝ้านี้เหมไปเอาเมื่อไปไกลนาภากว่างแผดหมดเลยอยู่นอกวัดหนดลงไปมันมันอุกอ่างทางเทศถึงจะอุกอ่างทางเทศก็บบ่อนักหลายหมนลงไปการทําอะไรยู่ในวัดนี่เหตุอย่างไะเห็นอยู่คู่มือเห็นตําตาอยู่คู่มือคู่เว้นหมไปเอาไปมากก็ ทุกอกทุกใจวันก็เลยตายวนมันแต่คนบรล่านบนว่ากั้นสลองสล า, าแล้วสรองโบดแล้วสลองสิยงกอสางใหญ่ใหแล้วให้นี้ซะก่อนให้ไปตั้งลักเอามือกลยนังผากอยู่ตั้งนอกซะก่อนวันออนไปยังคอยกับขมานะ้าวนคือคือบ่ลงพอเบอนะาเลเแถวแกว่ะคือคือไดโน่ป่านในลงพอส่างบ่เป็นหนี้เปลจะไปให้ยันยังอ่าไปยาบัจุลาดว่ะสางแล้วแล้วตั ก่อนเขาสื่อสางเขาคิดจะก่อนจะคอยสั่งเลยคิดให้ดีจะก่อนเป็นไปใดบออยังคอยสั่งย่างบอแมนสิดเด็ยินล่มพัดใบมากเลล่มล่มพัดใบไหม่อยู่นึกใบใหม่คนเลว่าเขาจะหายเท่านัน้นหายต้นนี้พูดนะเอามากขนของมาแล้วบอมาแล้วเขาก็เปลี่ยนใจไห ม, มป่านนี้เพเหตุได้เพราะเขาก็ เ, าเลี่ยงขอ้อเลี่ยงขั้วแมนบล่ะมีดไอหยังตอมีไอหยังเขาจะหา เมนยุส่วงนันว่าสียหายได้ยนะุแต่พ่อต่อมาเนะี่ยไม่เห็นจังไรละเศรษฐกิจมันปันป่วนนะเขาก็เปลียปลยยนะปล่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่พราเปลี่ยนจิตเป็นเปลี่ยนใจใหม่ตอนนั้นนะตอนนี้เงินมันบวชเข่าตามเป่าพราเงินเข่าตามเป่าตัวเองเอาของมาจนพ่อแห้งแล้วบาดว่าเขาเสียหายนะจังสี่ก็มีมากเลยสมพานทั้งหลายและที่หลวงพ่อได้ยินได้ยินนะอสมพานเสียรักเนะเป็นแบบนี้แล้วนะว่าเขาเสียหายแนะ ไปขนของมาก่อนมาแล้วเขาบ่ไห้ปานี่ยลงพออินบ่อแล้วขันผู้รเียนตำาราลงพออิ น, น่ขันเงินอยู่ในบัญชีมือไดนนั่งมือนั้นเลยจะคอยสั่งนออกไปขั่นเงเงินพระท่านเขาวงเงินไปที่วาจะได้ก็ว้าเอาอวออกไปไปทวาจะได้ก็บอกจะห้เท่านั้นล้านเท่านี้แสนเนี่ขั้นวงเงินเขาเงินเขาบัญชีไยั่งยั่งอยู่หกพ่อไอ้ขั้นยังวงเงินพระท่านเขาบัญชีนห่ยเขายังพท่านขยับหรอก เว้นเสียแต่ว่าผู้ที่เพิ่นเบาเน่เคยทำงานทัางการมาแล้วเพิ่นออกปากยังไงเป็นจังทันบอกเคยมีปัญหาเลยเอออะได่าเสือถือกันผู้ผู้เสือถือเขากับเสือถือคือกันเดขันบอกบางคนเนี่ยเบาบ่ท่านเคยทำงานทั้การเนบอปลาบปรหลาบปไปหาเสือดหรอบกลงพรบ่เสือดไปง่ายๆเดช ขนาดหัวใจเจ้าของใอ้ฮงเทอมกอ็ยังกี่ตัวเ จ, จ้าของโยนออกไปจะไปหาเสื้อผู้อื่นใดจังไดเหม็นมหมดละวันนี้เป็นวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2559วันนี้เมื่อพวกเราฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการบวชพระในะวันนี้นะศรัทธาญาติโยมจะมีการบวชพระสามองค์มาจากกรุงเทพสองแล้วก็เป็นหลานของตู่ขานะ โยมอุปธรรมปฐากวัดเราเนะี่ยหลานจะบวชสอบขลารชการติดแล้วก็ก่อนที่จะไปบรรจุงานทำงานรอ ง, งานแล้วก็ขอบวชให้ทดแทนบุญคุณให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายซะก่อนมันก็ดีในช่วงที่มันว่างอยู่ต่อไปเมื่อทำงานแล้วก็มันเป็นภาระนะจะบวชวันนี้แนะเมื่อเสร็จฉันยังหันเสร็จแล้วก็จะมีการบวช อั น, นบวชรอบรอบพิเศษแล้วก็จะมีการบวชอีกรอบใหญ่ก่อนเข้าพรรษา15วันนาคที่พูดเอาไว้ว่าจะมาบวชในพรรษาก็คงจะเข้ามาก่อนพรรษาประมาณสักสองอาทิตย์มาเตรียมการมาขานนาคหนึ่งอาทิตย์พอเตรียมพร้อมบริขารพร้อมการขานนาคพร้อม ทุกอย่างพร้อมตรวจโครคภัยไข้เจ็บตรวจเลือดพร้อมแล้วก็บวชอีกเจวันก่อนเข้าพรรษาพอบวชเสร็จแล้วก็มาท่องคําอธิษฐานพรรษาท่องวิธีการแสดงอาบัติปรับทัศนคติปรับความเข้าใจตัวเองอยู่ทางโลกปรับยังไงมาเข้ามาเป็นพระเนี่ยต้องปรับนะปรับความรู้สึกทางด้านจิตใจเราจะเป็นพระแล้วนะที่นี่นะ เราไม่ใช่เป็นฆราวาสนะเราจะเอานิสัยฆราวาสมาใช้ไม่ได้นะเราเป็นมาเป็นพระแล้วเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรสํารวมกายยังไงว่าใจา ย, ยังไงสํารวมใจยังไงขนาดใจก็ยังให้สํารวมนะอย่าไปคิดสุม 4, สี่ชุมหคิดนอกอโลกนอกทางไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเข้ามาบวชเพราะนั้นสํารวมกายวาจาใจเพราะนั้นเรา เพราะนั้นเวลาจะเข้าบวชต้องมาปรับทั ศ, ทศนกตในิในแนวความคิดเห็นของของเราก่อนเพราะนั้นให้ก่อนที่จะบวชพระในพรรษาจากนั้นก็บวชละแต่นี่นพอบวชเข้ามาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ให้อยู่ในหลักพรฒนวินัยของพระพุทธเจ้าละแต่เนี่ยเพราะว่าเราบวชเราไม่ใช่เป็นฆราวาส เราจะเอานิสัยฆราวาสญาติโยมพูดจาพาทีแบบฆราวาสมาใช้ในในเรื่องเป็นพระนะ่ะไม่ถูกนะเป็นพระเนะี่ยต้องสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวาศีนพระพุทธเจ้าตรัสสอนยังไงในการมารยาทของพระศีลของพระวิเนัยของพระกฎระเบียบของพระถ้าเป็นฆราวาสแล้วก็อีกอย่างนึงแต่ขนาดต่างประเทศไปประเทศ หนึ่งยังมีกฎหมายแต่อเมริกาเห็นไหมแต่ละรัฐเขาก็ยังมีกฎหมายไม่เหมือนกันอีกกฎหมายหนึ่งรัฐนี้เขาอนุญาตอย่างหนึ่งกฎเหล็กอย่างหนึ่งแต่ละรัฐเขายังไม่กฎยังไม่เหมือนกันแต่ละประเทศแล้วก็ไม่เหมือนกันอีกและศาสนาล่ะอจะให้เหมือนกันได้ยังไงพุทธศาสนาเนี่ยคือกฎระเบียบหนึ่ง ที่เราเข้ามาแล้วให้เรารู้ว่าเข้ามากดด้วยในพุทธศาสนาเนี่ยกดและเบียบหนึ่งเราต้องศึกษาหลักพระธรรมวินยัยที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ศิบสองร้อยยี่สิบเนะี่คืออะไรอนุศาสตร์กิจที่ควรทําคืออะไรอนุสาสตร์แปดอย่างนิสัยสนีะ่กิจที่ควรทําคืออะไรอัครณนยกิจสี่กิจที่ไม่ควรทํา สี่อย่างคืออะไรนะมันมีหมดกิจที่ควรทําก็คือดําเนินชีวิตสัมมาชีพไปในทางที่ถูกอกรณีกรณยกิจกิจที่ไม่ควรทําโทษหนักโทษประหารของพระนะโทษประหารของพระก็มีเหมือนกันนะเอจะไม่ใช่ประหารร่างกายนะประหารคุณธรรมถ้าใครทําผิดเดี๋ยวประว่าไล่ออกจากการเป็นพระจะบวชเองก็ไม่เป็นพระ จะบวชกี่ครั้งก็ไม่เป็นพระเพราะเหตุไยเพราะในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าถ้าวัดผู้ใดเป็นอาบัติหนักเป็นปาราชิกหมดหง่ายๆก็เหมือนกับต้นเพร้าต้นตาลที่มันคอปัดมันขาดอคอมันขาดแล้วนะมีแต่ต้นโดเด่นถึงจะอยู่นานไปเท่าไหร่มันก็ไม่งอกเงยเพราะว่ามันมันยอดมันขาดแล้วมีแต่ต้นมันมีแต่มันจะเน่าอย่างเดียว นีก็เหมือนกันถ้าพระองค์ใดเป็นปาาชิกโทษประหารโทษสี่ขอนั้นแล้วถึงจะศึกเขาไปไปบวชใหม่ก็ไม่เป็นพระไปความไม่เป็นพระตลอดชีวิตเพราะเหตุไรเพราะว่ามันที่จะงอกเงยคุณงามคุณงามความดีที่จะงอกเงยไปมันหมดแล้วเหมือนกับต้นพ้าวต้นตาลถ้าคอปัดมันขาดยอดมันขาดคอปัดมันขาดแล้วนะมีแต่ต้นมั น, นยืนโดเด่น ก็มีแต่เน่าผุพังไปอย่างเดียวเท่านั้น <c oughs> ไม่มีความเจริญงอกเงยในพระพุทธศาสนาต่อไปได้คนเป็นอบวบหนักนี่แหละให้จำรวมระวังเพราะนั้นเวลาเขามีอะไรเขายัางพระภิกษุที่ทําตัวไม่ดีเขายัางปรับอบวบจุดนั้นะเพราะนั้นพวกเราเข้ามาใน พ, พุทธศาสนาต้องรักษากฎระเบียบวินัยของพระพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร วินัยเราต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมในเมื่อปฏิบัติตามหลักพระธรรมพวกเราศรัทธาญาติโยมพ่อแม่ผีน่น้องลูกหลานคณรศรัทธาญาติโยมเห็นก็สบายใจเพราะเหตุไรอือพระอยู่ในหลักกฎเกณฑ์ของลัพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมาทําบุญมากน้อยก่อจะได้บุญได้บุญได้กุศลทําด้วยความสบายใจทําด้วยความเต็มใจ เพราะว่าพระสม์อยู่ในศีลายจารวัดอยู่ในทรรนองครองธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสบายใจไปทั่วนะในพุทธบริษัทสี่นะแต่้ว่าใครก็ตามทําตัวไม่ถูกนญะาติโยมทําตัวไม่ถูกเอเป็นนักเลงกินเหล้าเมายาเข้ามาสู่วัดพระก็ไม่สบายใจอีกเหมือนกันทําไมญาติโยมถึงมาสู่วัดวัดศาสาศนาจึงไม่มีมารญาตเจเลยไม่มีศีลายจารวัดเจเลย ไม่มีการํารมกายวายจาเลยเข้ามาสู่วัดวาศาสนาทําไมญาติโยมจึงทําตัวอย่างนี้เนี่ยแอบฝ่ายพระผู้มีศีลาจลวัดเห็นก็ไม่สบายใจทั้งฝ่ายพระก็เหมือนกันถ้าศรัทธาญาติโยมเข้ามาเห็นพระแอบบงบงเบง้บงเบง้บงเอมีแต่นกลงนกลงักเรงแการพูดจาพาธีไม่มีสัมมาคารวะศรัทธาญาติโยมเห็นก็ไม่สบายใจเหมือนกันถ้าทำไมพระ ฆราวาสเขาก็จะไม่ทําอย่างนี้แต่เข้ามาหาสูวัดวาจาาสนาพระทําไมทําตนอย่างนี้เนีสํารวมกายวาจาเท่านี้ยังไม่ได้เลยพระเนี่ยนะี่แหละอันนี้พระก็มองศรัทธาญาติโยมเหมือนกันศรัทธาญาติโยมก็มองพระเหมือนกันออันนี้คือพุทธบริษัทสี่พุทธบริษัทสี่เขามาบริษัทคําได้เห็นไหมบริษัททางร้าน บริษัทจำกัดบริษัทนั้นบริษัทนี้อันนี้เป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทคือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าในเมื่อเข้ามาคนที่เข้ามาอยู่ในบริษัทนี้ทำตนอย่างไรเนี่ยเราต้องศึกษาต้องศึกษาทำตนอย่างไรเข้ามาบริษัทนี้สํารวมกายว่าจาใจอย่างไรในเมื่อเข้ามาสู่บริษัทนี้ถ้าว่าเราไม่สํารวมกายวาจาใจนั้น เป็นที่ตําหนนะิพระเหตุลูกหลานทุกอง์นะถ้าพวกพวกเราสํารวมกายวาจาจใจอย่างวาดก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเราบวชามาเพื่ออะไรให้ถามใจตัวเองถ้าข้าข้าพเจ้าบวชมาเพื่อหวังลาบหวังรวยหวังกิติจับกิติฉั์ชื่อเสียงจะจะเป็นใหญ่เป็นโตถ้าอยากจะมาบวชให้คนรู้จักมากๆอันนั้นผิด อแปลว่าเราเดินผิดทางเสร็จแล้วมาหามาหาผิดผิดที่ผิดทางเสร็จแล้วอแต่ทั้งโลกมันได้แต่เราทําทําได้อแต่พระยาหยามมาลาศะพยายามพระบาลเขาหญิงเขี้ยวใช่ไหมท่อทําไมเข้ามาบวชเป็นพระทําตนไม่ดีเลยอเอาเถอะ เ, เมื่อพ้นออกมาจากมนุษย์แล้วจะเอาให้เข็ดเขาจะว่าอย่างนั้นอีกเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองทําตนไม่ถูกใช่ไห อ, อในเมืองมนุษย์เนี่ยมันมีที่ลับที่แจ้งนะอแต่กรรมคือการกระทําของตัวเองไม่มีที่ลับที่แจงนะ้พยยงพญาหยมพอบานเขานะมองเห็นอยูเออเออ่เมื่อเป็นพระทําตนอย่างนี้อย่างนี้จะไหมท่านเธ อ, อ ปฏิเสธเขาได้แล้วเพราะว่ากรรมคือกรรมที่การกระทําบันทึกไว้แล้วนะ เ, เพราะฉะนั้นให้พวกเรานะเป็นพระนะอยังมีทีรับที่แจ้งใ ห, ให้รักษาคุณงามความดีเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มอยู่ในทีรับกเค็มอยู่ในที่แจ้งก็เค็มไปอยู่ต่างดาวก็เค็มไปอยู่ต่างประเทศก็เค็มเพราะอะไรเพราะมันเป็นเกลือนี่ก็เหมือนกัน เราเป็นพระสงฆองค์ข้าเจ้าต้องเป็นพุทธบริษัทสีของพระพุทธเจ้าแล้วต้องรักษาคุณงามความดีนะพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเชื่อกมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทาถ้าเราทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรถ้าเราทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไงให้เชื่อตนเองข้าพเจ้าเนี่ยดูสิข้าพเจ้าไม่ได้ทำความชั่วมันจะชั่วได้ยังไงข้าพเจ้าทาแต่ความดีมันจะชั่วได้อย่าง ไ, า ไ, าาไางไ มันก็ต้องดีสิต้องมองตนเองการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรแล้วกันท่านเป็อย่งงางนู้นท่านไปนอย่างนี้กันไปตามที่เขาพูดเขากล่าวอานนั้นแปลว่าหาจุดยืนไม่ได้เราต้องเชื่อมั่นในตัวของเราถึงใครจะว่าอยังไงมองเราซะก่นอนอถึงเขาว่ า, าท่านเป็นหมาหมาเนี่ยเราก็มองผมใจของเราเป็นหมาหรือเปล่า ตัวของเราเป็นหมาหรือเปล่าอ่ะเรามีหางหรือเปล่าอ่ะเนี่ยนิสัยของเราเหมือนหมาหรือเปล่าอ่ะนะแต่เราเอ๊ะมันก็ไม่ใช่หมาเนี่ยนะเราก็คิดดีอยู่อยคิดไปในสังสัมมาทิฏฐิมีศีลมีธรรมอยู่อกายวาจาใจของเรา<ม>เป็นพระดิอยู่เลยข้าจะเป็นหมาได้ยังไงวะข่ามองข่าอยู่ะใครจะไปรู้จัก ข่ายิงกว่าตัวของข้าเองถ้าว่าข้าเป็นหมาข้าเบไม่ต้องบอกว่าข้าก็เป็นหมาอยู่แล้วนิสัยหมานเป็นยังไงแต่บัดนี้ข้าไม่ใช่หมานะมันก็ต้องเชื่อมั่นในตนเองในการประพฤติปฏิบัติหรือว่าการดําลงชีพนะหลงพ่อวันนะอันนี้คือพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าต้องเชื่อมั่นในตนเองแต่ว่าเขาบุดอกดุดาว่ากาวให้มาเราก็ต้องมองตนเองเออมันจริงอย่างที่เขาว่ า, วาตัวเนี่ เราก็ทำตัวไม่ดีล่ะตรงนี้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขใหม่ใช่สาธุครับขอบคุณมากๆครับที่เห็นความชั่วของผมที่เห็นความไม่ดีของผมของของชั้นขอบใจมากๆขอบคุณมากๆที่ชี้ขุมทรัพย์ให้ที่ชี้ความชั่วให้ข้าพเจ้าจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอันนั้นคือปาดเป็นปาด แต่ถ้าพาระชนแล้วเขาชี้ให้มามีตะโกดโมโหโกธาให้เขาทั้งที่ตัวเองโชวชาติเสียหายแต่ไม่ยอมรับอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ปาดเป็นพาระชนพวกเราให้มองตนเองไว้อยู่เสมอนะคณาจารย์ญาติโยมลูกหลานพันเองทุกองนะทิ้งไหนที่เป็นหลักพระธรรมวินัยหลักธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนอยังไงให้เราเป็นคนดีเป็นพระดี ไปอยู่นะัดสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าคนดีถ้าไม่ดีแล้วไปอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นสิ่งดีรู้ไม่ดีชั่วรู้ไหมชั่วถ้าไม่รู้จากดีไม่รู้จากชั่วแล้วก็มันก็พูดกันยากนะถ้าว่าเราบางทีก็บางทีก็ไม่รู้เออไม่รู้นะต้องศึกษาแต่เมื่อเขาเตือนเข้ามาเราก็ต้องพยายามสัารว้กายตรวจตราดูตนเอง เขาเตือนมาเนะี่อทางว่าเขาเตือนมาเขาเตือนแบบไม่เจตนาดนะีเราก็มองตนเองไม่ใช่นะนะเอเราอาจจะไปถามองค์อื่นอีกก็ได้ที่เรานับถือเลื่อมใสเอเขาเตือนมาอย่างนี้นะมันถูกมันผิดยังไงครับนะอท่านที่เป็นนักปราชญ์ท่านที่รู้เนทะ้าล็อกไปถามท่านที่ผู้รู้นะที่เหนือกว่าเราท่านก็จะอธิบายให้ฟังเราก็จะได้เรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆ เพราะโลกในโลกนี่เป็นอยู่ด้วยการศึกษานะ ล, ลูกหลานนะมันจบไม่เป็นหรอกจบไม่เป็นวิชาในโลกเนี่ยมันไม่ใช่สุดอยู่กับผู้ใดใครผู้หนึ่งมีแต่พระพุทธเจ้าแต่สยามผูรู้แจ้งโลก น, นอกนั้นทำไมไม่มีที่สิ้นสุดหาที่จบไม่ได้เพราะนั้นเราอย่าไปอวดทนงอวดดีว่าข้าไปเก่งกว่าฉลาดเนื้อกว่ามนุษย์มานาทั้งหลาย ถ้าคิดอย่างนั้นแปลว่าเราโงนะ่เราโงนะ่แล้วทำไมจึงว่าโง่เอา้าขนาดเพียงอาหารอย่างเดียวนะเราทําเป็นทุกอย่างไหมพิธีการทําอาหารบางคนหุงข้าวไม่เป็นแต่ทําอาหารอย่างอื่นเป็นบางทีหุงแต่ข้าวเป็นทําอาหารอย่างอื่นไม่เป็นมีตังเยอะแยะไปอาหารกี่อย่างแล้ววิชาทางโลกอีกเหมือนกันกฎหมายแผงกฎหมายอาญาเรารู้ทั้งหมดใช่ไหม พิชาแพทย์พิชชาหมอเนะ่ะที่เรารักษาเรารู้ทั้งหมดใช่ไหมไอสิ่งที่เราไม่รู้น่นโง่ใช่ไหมแต่ก็ไม่ใครก็ไม่อยากจะโง่ใช่ไหมล่ะผมไม่รู้เท่านั้นเองแต่ความไม่รู้นั่นแหะคือความโง่คือคือความไม่รู้อคือรู้นั่ะมันความรู้ของเราเนี่ยแต่ละคนน่ยถ้าเปรียบเทียบดูมันแค่หางอึง่งเท่านั้นเองนะ่ะพิชาในโลกมันมีมากเออที่เขาเรียน อยู่ในโลกที่เราเราได้ศึกษาเพราะฉะนั้นเราอย่าทนองตนเรารู้เท่าที่รู้เท่านั้นเองสิ่งที่เราไม่รู้น่ะมันมากกว่ามันมากกว่าที่เรารู้แต่ไงไนเราก็ต้องศึกษานะผู้ใในการศึกษาใในการเรียนรู้นั่นแหะจะเกิดประโยชน์ให้พวกพานเนลูกหลานทุกองนะฟังฟังเอาไว้นี่นะเราอยู่ในโลกมันเป็นอย่างเนี้ลูกลาน อันรับพรในที่นี้นะพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร